พระธรรมเทศนาแผ่นที่89าลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่5ตุลาคม2558มีชื่อเรื่องว่ากรรมแต่ชาติปางก่อน วันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ําเดือนสิบแล้วก็จะมีจะมีวันไหว้พระสมาทานศีลพะต่อเนี้ไปก็นำนะไหว้พระสมาทานศีลหันหน้าไปพรังพระประธานนะ่ะสาธุมายังพันเตเติสลนเนนัสหานั่งให้สบายสบายสมท า, านศีล วันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนสิบจากนี้ไปวันออกพรรษาก็ยังเหลืออยู่สามอาทิตย์หรือสามวันพระเป็นวันออกพรรษาวันเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดแผ่นหลวงพ่อเขา อ, อดที่จะกล่าวย้ำเตือนพวกเราท่านทั้งหลายพวกเรารักษาศีลมา สองเดือนสองเดือนกับหนึ่งวันพระเนี่ยสองเดือนกับหนึ่งอาทิตย์เนี่ยพวกเราขาดตกบกพร่องหรือเปล่าอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราทบทวนในการสัจจะของพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะถ้าต่มเต็มบริบูรณ์แล้วก็ไม่เป็นไรเราก็สบายใจถ้ามันขาดตกบกพร่องไม่ใช่ว่าขาดตกบกพร่องแล้วเราจะ สบายใจไม่ใช่นะเราต้องปะชุนให้เต็มในการที่มันขาดสัจจะจุดนั้นพราขาดสัจจะไม่เป็นของดีที่เราตั้งสัจจะทั้งทีชีวิตแล้วยังมาสัจจะของเรายังขาดกระจุยกระจายไปอีกมันไม่ดีสําหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านถ้าขาดสัจจนะคือความจริงจังและจริงใจในตัวเองไม่ได้เป็นคนเลาะแหละใช้ไม่ได้ ในพวกเราดูตัวตราในการทำประกอบคุณงามความดีของพวกเราอาต่ อ, ตอ น, นี้ไปหลวงพ่อเป็นผู้พานำสมาฐานสิลนะโมตัตตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะซีเลนะนิพุติยันติตัตสมาซีลังวิโสทาเยเอาต่ อ, ตอ น, นี้ไปตั้งใจฟังหลวงพ่อจะได้กล่าว เรื่องราวหรือว่ากล่าวเรื่องที่พวกเราท่านทั้งหลายควรจะรับรู้รับทราบร่วมกันประจําวันพระวันนี้เป็นวันที่ห้าตุลาคมพุทธศักราช255พบแวันนี้เป็นวันพระแรม8ดค่าเดือนสิบจากนี้ไปอีกสามวันพระวันพระหนึ่งก็เจดวัน อีกสามวันพระพวกเราก็จะได้ออกพรรษาประวรณาและก็ให้พระเก่าทั้งหลายเตือนพระใหม่ด้วยว่าให้ท่องสาทยายคําประวรณาออกพรรษาอย่าให้ขาดตกบกพ่องและก็พระเก่าก็มีหน้าที่องค์ไหนกะถินอย่างไรเพราะเราก็เคยมาทุกปีอยู่แล้วก็ให้ฝึกซ้อมสอนกัน อยาให้หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าเป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันอันนี้ก็คือที่จะปัญหาหรือว่าเรื่องที่พวกเราจะต้องได้คิดร่วมกันเป็นส่วนรวมส่วนกลางแต่อย่าให้ขาดตกบกพร่องให้หน้าที่ให้รู้จักหน้าที่พระทุกองคหลูกหลานทุกองค์ให้ยุบรู้จักหน้าที่วันปอารนาออกพรรษาอย่าให้ขาดตกบกพร่อง การสวดการอุปรโรคกระถินก็เช่นเดียวกันก็ให้พวกท่านทั้งหลายใส่ใจสนใจอย่าให้ขาดตกบกพร่องและกระถินของเราวันที่8ปดเนะอะกนตตธาญ า, าติยโยมลูกหลานวันที่8พฤจิกายนพุทธศักราช2558นเป็นวันอาทิตย์เป็นวันทอดกระถินที่วัดป่านาคำน้อยของพวกเรา อันนี้หลกเราก็ได้ประกาศสม่ำเสมอบางคนได้ยินแล้วก็เออเอาแปลว่าได้ยินรับทราบแล้วแต่บางคนอพอฟังผ่านไปแล้วก็ยังสงสัยเอ๊ะวันไหนกันแน่หลวงพ่อก็ได้ประกาศให้อีกแต่บางคนก็ยังไม่รู้ไม่ทราบเมื่อหลวงพ่อได้ประกาศไปก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันทวนหน้าแต่ส่วนที่ใครจะมาหรือไม่มาอันนั้นเป็นสิทธิ์ของพวกเราท่านทั้งหลาย หลวงพ่อเองมีตะปบประกาศให้คณะจัดทาญาติโยมให้รับรู้รับทราบร่วมกันว่าวัดของเราคือวัดป่านาคําน้อยไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่วัดหลวงพ่อองค์เดียวถ้าหลวงพ่อองค์เดียวหลวงพ่อกคงจะปิดประตูไม่ให้ใครเข้ามากล้ำไกลายอันนี้ไม่ใช่เป็นวัดสาธารณะเป็นวัดของพี่น้องประชาชนจัดทายญาติโยมโลูกหลานทุกคนมีอะไรเกิดขึ้น มีอะไรในภายในวัดของเราจะเกื้อกุนหนุนอย่างไรวัดวาศาสานาเป็นแหล่งถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเป็นสระน้ำหรือหนองน้ำพวกเราจะต้องมาช่วยกันบำรุงรักษาและก็ตักอาบดื่มกินด้วยกันอันนี้ก็คือเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลทางด้านจิตใจการแสวงหาทรัพย์นั้นพวกเราแสวงหาทางนอก แต่การสแสวงหาบุญเราต้องมาร่วมกันรวมกันสสแสวงหาบุญในวัดวาศาสนาอย่างวันนี้แหละพวกเราก็ได้มาทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วก็ได้มาไหว้พระสมมาทานศีลเมื่อสมมาทานศีลแล้วพวกเราก็จะได้รักษาศีลเป็นวันพระของเรารักษาอยู่ที่วัดจากนั้นตอนเย็นก็จะได้มีการไหว้พระทำวัดเย็นร่วมกัน จากนั้นก่อนมีการฟังธรรมเทศนาในวัดของเราแล้วก็พร้อมกันก็ได้นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติพร้อมกันในวัดของเราอันนี้คือทำให้ครบเพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อการศึกษาของลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังว่าการประพฤติปฏิบัติแล้วว่าการดำเนินเดินตามแนวแถวพุทธที่ท่านปฏิบัติมานั้นท่านทาอย่างไร ถ้าหาว่าไม่มีผู้นำไม่มีผู้พาปฏิบัติพวกเราก็เก้ะเก๊กังๆเหมือนกันนะบางเรื่องบางอย่างแต่ถ้าว่ามีครูบาอาจารย์เป็นผู้พานำเราก็มั่นใจว่านี้คือแนวทางที่ถูกต้องเพราะนั้นเราปฏิบัติณสถานที่ใดอยู่ณสถานที่ใดเราก็มั่นใจเพราะว่าเราเดินตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดาเนิน แต่หลวงพ่อที่พาดําเนินนี่ก็ไม่ใช่แนวปฏิปทาของหลวงพ่อหลวงพ่อยึดแนวแถวปฏิปทาของครูบาอาจารย์พาดําเนินหลวงพ่อกับพาลูกพาหลานพาคณะทธาญาติโยมปฏิบัติตามแนวแถวอริยะประเพณีคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาเพราะฉนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายวัดก็คือเป็นสถานที่บําเพ็ญกุศลทางด้าน จิตใจทางนอกเราก็สแสวงหาทรัพย์พราะในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะหลวงพ่อย้าแล้วเน้นอีกว่าบุญกุศลจะต้องเกื้อกูลหนุนพวกเราเพราะพวกเราเกิดมาพ บ, ไ ด, พบพาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ ถ้าบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราแล้วนั่นล่ละเราคิดเรานึกคิดขึ้นมาเมื่อไรเราก็สบายใจเหมือนกับท่านพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพแต่ก่อนท่านก็ไม่ได้ตัดทวันไม่ได้ภาคภูมิใจแต่พอท่านได้ตัดกิเลสออกจากพระไทยของพระองค์แล้วพระองค์ประกาศว่าชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราแล้ว เราจะไม่มาเกิดอีกแล้วนะอันนี้ก็คือความภาคภูมิใจของพระพุทธองค์ทังนั้นก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็เช่นเดียวกันที่อยู่ใกล้ๆเคยออองหลวงตาที่ท่านได้ภาวนาไปแล้วท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลท่านก็ประ ก, กาศในจิตใจของท่านอย่างนั้นเช่นเดียวกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านพวกเราดู ที่เป็นสิทธิ์ที่มีครูมีครูบาอาจารย์เป็นผู้นําเราก็ต้องเชื่อฟังในธรรมคาสอนของครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรทันวรนรกมีจริงนะสวรรค์มีจริงนะรรงนะบาปุลคุณโทษมีจริงนะตายแล้วไม่สูญนะทํากรรมสิ่งไหนไว้กรรมนั้นจะตามสนองนะจริ่งนี้ พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นศิษยานุศิธิ์ของครูบาอาจารย์ต้องฟังนะเชื่อกรำเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วหลวงพ่อก็บอกเลยเนะี่ยถ้าว่าพวกเราที่นั่งอยู่ด้วยกันเนะี่ยถ้าไม่เชื่อกรรำไม่มีทดลองหน่อยสิลุกขึ้นมากันเะนี่ยเอาค้อนตะพดเอามีดไปฟันหัวกันเข้าใครเป็นคนลงมื อ, เ, อเขาจะต้องจับเข้าคุกเข้าตารางทันทีเลยเพราะอะไรเพราะตัวเองทํากรรมไม่ดี ถ้าทำกรรมไม่ดีในปัจจุบันก็เข้าคุกใคุกในปัจจุบันเนี่นะอันนี้ก็คือตารางคุกตารางนั้นแนหะขังคนที่ไม่ดนะีเมื่อเราตายไปแล้วนรกอันนั้นไปนขังกขังคุกในเมืองผีพอตายไปแล้วนะ่ะจะต้องตกนรกหมกไหมไปอีกเพราะขังคุกในเมืองผีอีกวิญญาณดวงนั้นนะ่ะออกในเมืองมนุษย์แต่ขังคุกร่างกาย ไ่้จางขางทางจิตใจด้วยแต่พอออกจากเมืองมนุษย์ไปแล้วร่างกายถูกเผาแล้วมีแต่จิตใจไปตกนรกในสถานที่ต่างๆไปเกิดนทนทุกข์ทรมานจากทากจากนั้นถ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉานก็ใช้กรรมของตนเองได้กระทาเอาไว้ถ้าเกิดเป็นเทวดาไปว่าไปอยู่ในมิติหนึ่งแปลว่าสวยผลบุญคล้ายกับว่า บาปกรรมทั้งหลายยังเข้ายังไม่ถึงจุดนั้นเหมือนกับไปสวยความสุขในอีกมิติหนึ่งาบาปกรรมทั้งหลายอยู่ข้างนอกก่อนอยู่นอกรั้วก่อนเหมือนกับเราเข้าไปาบางคนนี่นแหละ เ, เขาไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัยแต่พอเราออกมาจากสถานฐานที่ปลอดภัยนั่นแหละกรรมทั้งหลายก็วิ่งเข้าไป ทำให้โทษอีกว่าคือเมื่อเราลงมาจากสวรรค์หรือมาลงมาจากพรหมโลกนะ เ, เมื่อเราทําบุญในขณะที่เดี๋ยวนี้แหละเราภาวนาเรารักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์เราภาวนาแต่ว่าก่อนหน้านี้นะเนี่ยเราอาจจะไปฆ่าคู่ฆ่าคนฆ่ า, า, า, า, าสัตว์ตัดชีวิตมาก่อนแต่เมื่อเรามาประกอบคุณงามความดี ตอนช่วงที่ใจเราจะขาดน่ น, นะ เ, เมื่อเราจะตายใจเราจะขาดเราเราลิกถึงคุณงามความดีและเลิกถึงบุญกุศลใจของเราเป็นกุศลในช่วงนั้นใจดวงนั้นก็ขึ้นไปสู่สวรรค์ก่อนไปสู่สุขสวยความสุขก่อนอแต่ไม่ใช่มันจะหมดนะแต่ว่ากรรมพวกบาปอากุศลทั้งหลายสิ่งที่มันชั่วที่เราฆ่าเขามาก่อนเนิ่นทำความชั่วมาก่อนมันก็คอรอ เราคอยอยู่ที่ประตูสวรรค์นั่นแหแต่พอเราโผออกมาจากสวรรค์เมื่อไหร่กรรมชั่วแตเนี่ยมันเข้าไปล็อกทันทีเลยบางทีอาจจะตกนรกไปอีกเพราะเหตุไรเพราะกรรมชั่วให้ผลต่างกรรมต่างวาระกันเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายทื่ว่ากรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าถ้ากรรมชั่วทํามาแล้วมันไม่เสียหายไปไหนมันรอคอยพวกเราอยู่ เว้นเสียแต่พวกเราชำระใจให้บริสุทธิ์จุดพ้นเป็นพระรหันต์อันนั้นเป็นว่าโอโหสิก ร, รมกรรมตัว น, นั้นให้สําเร็จแล้วแปลว่ากรรมต น, นั้นตามไม่ถึงตามไม่ทันฝินใจของท่านใจของพระรหันต์บริสุทธิ์แล้วเข้าสูนิพานกรรมทั้งหลายกับแปลว่าแห้วไปงนั้นอ่ะเป็นโอโหสิกรรมไปแปลว่ากรรมตามไม่ถึงนี่แหละลือหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะเพราะฉะนั้นท่านจึงเน้นหนัก ย้ำสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาพบใดชาติใดอย่าทํากรรมชั่วให้ทําแต่กรรมดีคิดดีทดําดีพูดดีกรรมดีให้ผลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสมาทานสินอย่างวันนี้แหะรักษาศินให้บริสุทธิ์บริบูรณ์หรือว่าพวกเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระอย่างนี้ค่ให้อย่าไปมองข้ามให้ระวังระเวียงระวังเรื่องศินและวิ น, นัยให้อย่าอย่ามีที่รับอย่ามีที่แย้ง อันไหนมันผิดอย่าทำถ้ามันทำลงไปแล้วนะมันจะเป็นมนทินเรามองไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันเป็นมนทินสำหรับตัวของพวกเราเพราะนั้นให้พวกเราทุกทุกองนะฝ่ายพระก็ดีฝ่ายครวญญาติโยมก็ดีกรรมที่มันไม่ดีและอย่าทำในครั้งพระพุทธเจ้าของเรานะออในครั้งพระพุทธเจ้าของเรามีพระกลุ่มหนึ่งเจ็ดองนะออไปเที่ยววิเวกในป่า ไปทุดงในป่าไปด้วยกันเจ็ดเจดรูปพ่อกลับมามาถึงกลับมาจะเข้ามากราบพระพุทธเจ้าพ่อเดินทางมามาเห็นในหมู่บ้านหมู่หนึ่งก็ถามชาวบ้านเขาว่ า, าพระที่ม า, าถึงในในหมู่บ้านแล้วมีที่พักไหมศรัทธาญาติโยมพระเขาญาติโยมข้อกมอีมีอยู่ในถ้ำมีภูเขาเพราะว่าบ้านเขาติดภูเขา มีถ้ำที่พักพระสงฆ์เคยมาอที่มาพักบําเพนก็นเนี่ยท่านก็นไปพักอยู่ที่ถ้ำนั่นแหละจากนั้นพระสงฆ์ก็เลยขึ้นไปอขึ้นไปสัตย์ศรัทธาญาติโยมเขาก็ส่งเข้าไปในในถ้อในเงื้อมผาตอนนี้พอพระสงฆ์ขึ้นไปแล้วเนี่ยฝนตกเนอะเนี่อตกอย่างไม่ลืมหูลืมตาเนยตกอย่างแรงเน่ะ พอตกอยางแดงภูเขามันสไลด์ว่ะเนี่ยก้อนหินอ่ะก้อนหินนี่อยู่ในหน้าถ้ำมันสไลด์ลงามาปิ ด, อ ป, ด อ, อปิดหน้าถ้ำพอปิดหน้าถ้ําต่ิีพระเหล่านั้นก็ออกจากถ้าไม่ได้อออกจากถ้าไม่ได้ชาวบ้านเขาก็เข้าไปแล้วไม่รู้จะเอางัดก้อนหินได้ยังไงเพราะหน้าก้อนหินก้อนใหญ่มันปิดหน้าถ้อพอในที่สุดก็เลยพระเหล่านั้นก็เลยอยู่ข้างใน ไม่ได้ชั้นอาหารไม่ได้ชั้นน้ำปิดอยู่อย่างงั้นแหละผู้ชาวบ้านก็หาวิธีการคงจะไม่มีเครื่องมืออย่างทุกวันนี้กับมังแต่ถึงจะมีเครื่องมือก้อนใหญ่เกินไปมันก็คงจะสุดวิสัยเหมือนกันนะหาช่องหาทางจะปิดจะจะเจาะเข้าไปก็ไม่มีดินที่จะเจาะมันเป็นหินนะผลที่สุดได้เจ็ดวันอพอเจ็วันหินก้อนนั้นเสไลด์ลองอีกไหลลงไปอีกหน่อย เปิดช่องให้พระเหล่านั้นออกมาได้พระเหล่านั้นอโอมอแมมอมเกือบตัวเอาตัวไม่รอดแต่จะอยู่ในถ้ำออกมาได้พอออกมาได้โห้หเราตายเกือบตายฮะแล้วบินทาบาทชันเสร็จแล้วก็เดินทางต่ออีกพอเดินทางต่อออกมามาเห็นไฟไม่ป่านะพอไฟไม่ป่ามีหญ้า ก, กลุ่มหนึ่ง มันไฟมันมันลมมันหมุนขึ้นไปทางฟ้านะ่ะหมุนขึ้นไปกาเขาคงอยากจะจะมากินพวกมแมลงพวกสัตว์มั้งบินเข้ามาดไอพวงญาตตอนนั้น่ะที่มันอยู่เป็นติดไฟอยู่ในอากาศมันเข้าไปสวมคอกาพอดีไฟก็ไหม้ฟางตอนนั้นอีกไหม้ญาตตอนนั้นอีกไหม้กระทั่งกาอีกกาก็ตกลงมาต่อหน้าภิกษุเหล่านั้นอีก เออแปลกท้องฟ้าต้องกว้างต่อกว้างทำไมกาตัวนี้จึงไปเอาหัวเอาคอสอดเข้าไปในหญ้ า, า, าที่มันไฟกำลังลุกโผลงอยู่ในอากาศเพราะมันไฟไหม้พื้นดินหญ้ามันก็ลอยขึ้นไปในอากาศากาก็ตายลงมาพระก็เห็นอีกอแปลกอย่างนั้นลงไปอีกไปก็จะไปข้ามน้ำ คงจะเป็นทะเลอีกส่วนหนึ่งแต่นี่เขาก็คงคงขึ้นไปพระเดล่านี้ก็เลยขอโดยสารไปด้วยคนก็หลายร้อยคนเขาขุดกลางพอขึ้นเข้าไปเรียกว่าสะเพาสมัยนั้นมันมีไม่มีเครื่องจักรเครื่องยนต์อย่างพวกวันนี้เขาว่ากลางใบพอกลางใบขึ้นมาแล้วก็หลมมาแล้วก็ไปอะยลงไปทิศทางตามที่เราจะต้องไปข้าม ข้ามน้ําข้ามทะเลไปสู่จุดอีกฝั่งหนึ่งแต่นี้พอเรือสะเพาคันนั้นอ่ะคนต่างเต็มเรือพ่อไปไปถึงกลางมหาสมุทรเรือไม่ไปแท้เลยหมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปเออแต่นี้ทางคนในเรือเอาตายคราวนี้กลางเรือเท่าไหร่มันก็ไม่ไปในในสะเพาพวกที่เขา ชำนาญในเรือเขาบอกเอ๊ะอย่างนี้มันต้องมีสิ่งอะไรที่ทําให้เรือไม่ไปเอาพวกเราจับฉลากเขาว่านะ เ, เหมือนฉลากทหารเนี่ยคนมีกี่ร้อยคนอมีกี่คนอยู่ในนี้จับฉลากเขาก็ทําเป็นกระดาษม้วนๆแล้วก็เขียน อ, อ ส, สีดําสีแดงออคล้ายๆแบบคนที่จะถูกจับมันคือมีสีแดงอจอกนั้นก็สีดําทั้งหมด มีกี่คนทีแรกก็กจับฉละจับฉละไปถูกเมียนายสเผาเอาถูกเมียนายสเผ า, เาครั้งที่หนึ่งก็ถูกเออมันคงจะบังเอิญมัน่นสักเคเทพเจ้าเราเทวาอกีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอกเอจับเป็นรอบที่สองก็ติดคนเก่าอีก พออีกที่ครั้งที่สามอีกติดคนเก่าอีกทั้งสามครั้งแปลว่าโอ้มั่นใจอแปลว่าเมียนายสาเผาคงจะทํากรรมไม่ดีเอาไว้จึงทําให้เรือสเผาคันนี้ไปไม่ได้นายสเผาก็าอกเอาพวกท่านทั้งหลายถึงจะเป็นเมียของข้าก็เถอะเอาโยนลงน้ําทะเลแต่ให้ปลดเครื่องประดับออกซะก่อนนะให้ปลดเครื่องประดับก่อน นายสเผาก็สั่งเท่านั้นแหละก็เข้าห้องเข้าห้องอนายเรือเลยว่างั้นแต่ไม่มองไม่เห็นไม่ดูเลยไอ้พวกลูกน้องเลยก็จับเอมียนายสเผาเนี่ยมาแล้วก็เอาแก้วแหวนเงินทองสายสร้อยออกหมดเครื่องประดับออกหมดจากนั้นเขาก็เนี่ยเอากับปองน้ำเหมือนกับป๋องคุ้น้ำกับปองน้ำเนี่ย เขาก็ใส่ก้อนหินลงไปใส่ทรายลงไปของหนักๆใส่ในในในกระป๋องนั้นะจากนั้นเขาก็เอาเชือกมัดอมัดลวงกระป๋องนั้นพอมัดเสร็จแล้ว ก, ก, ก็มัดคออินางนี่แล้เหมือนกันอพอเสร็จแล้วก็กปล่อยกระป๋องลงไปในพื้นทะเลอินางนี่ก็จุมลงไปมันจะขึ้นได้ยังไงเพราะเอาเชือกผูกคอเลยใช่ไหเอออินางนั่นก็คงจช่นนั้นเป็นอาหารของปลาต่อไปพอ ปล่อยเรือเท่านั้นแหละเดนเอ่อพอปล่อยอินางนั้นลงเท่านั้นแะ่ะปล่อยเมียนายสะเพาลงเท่านั้นแหละเรือก็หันเจียวไปได้เลยเด น, นเออพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งเจ็ดองค์ก็โอ้เออทําไมเราจึงเจอของอย่างนี้เป็นของแปลกๆทั้งนั้นเลยพระเออเจ็ดองค์เห็นตับกับหูกับตาใ น, ในการนั่งเรือม า, มาในคราวนี้เหตุการณ์ ดูดูแล้วมันทั้งทั้งเราอยู่ในถ้ำด้วยทั้งกาบินอยู่ในอากาศด้วยทั้งเมียนายสะเพาด้วย เ, เป็นเรื่องที่แปลกที่สิ่งได้เห็นคราวนี้จากนั้นพอไปกลาไปถึงวัดป่าเชตะวันมหาวิหารพระพุทธองค์ก็ทักทายถามว่าดูก่อนสงทั้งหลายดูก่อนพระสงฆ์พวกเธอทั้งหลายไปปีกวิเวกไปภาวนานั้น เ, เป็นยังไงได้รับความ สะดวกสบายในภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบดีไหมพระสง์เหล่านั้นก็กราบทูลพระพุทธเจ้าตามเรื่องราวที่ตร ง, ตร ง, ตรงเองได้ปฏิบัติมาจากนั้นก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพวกข้าพระองค์มาเห็นสิ่งแปลกในการเดินทางของข้าพระพุทธองค์ทั้งเจองค์เนี่ยได้เห็นแปลกแปลกจะกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ว่าเออมีอะไรอ่า พระพุทธองค์พระทรงแล้วนั่นก็บอกว่าพวกข้าพระองค์หยุดไปติดอยู่ในถ้ำเจ็ดวันแล้วก็กาบีบินในอากาศถูกย่ามเผาแล้วก็มีนายชพาเอาถ่วงลงน้ําทะเลน้ำํำในแม่น้ำํำมันเป็นยังไงหนอไปเจ้าขา่าพระองค์ว่ากรรมฟังนะานิกรรมคือการกระทำะเพราะตัวเองในกระทําในอดีต พวกเธอทั้งหลายทั้งเจ็ดองเนี่ยตะกอนพวกเธอนั้นเป็นเด็กเลี้ยงวัวเป็นเด็กเลี้ยงวัวในหมู่บ้านหนึ่งหมู่เป็นหมู่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเป็นฝูงเลี้ยงด้วยกันแล้วก็มีลานหญ้ามีดงหญ้าปา่าหญ้าทางทิศตะวันตกและทางทิศตะวันออกอพอไปไล่วัวไปเลี้ยงทางทิศตะวันออกเจดวันพอญ้าหมดแล้วก็ มาเลี้ยงทิ่ตะวันตกเจ็ดวันและตะวันพลางตะวันออกมันหญ้ามันก็ถอนยอดปองยอดขึ้นมาแล้วเอาวัวมาเลี้ยงทางะตะวันออกคือสลับไปสลับมาอย่างนี้แหละในหมู่บ้านนั้นนะแต่วันหนึ่ง เ, เด็กเลี้ยงวัวไปเลี้ยงทางทิศตะวันออกไปแล้วไปเห็นตะกวดคือแลนนมันวิ่งเข้าจอมปลวกทีนีพอวิ่งเข้าจอมปลวกที่นี่ เด็กทั้งหลายก็แล้วก็พอจะมาขุดออกมานก็ะค่ำแล้วสิจวนจะค่ำแล้วขุดก็คงอย่างมันใช้เวลานานกว่าจะขุดตะกวดได้เอาเถอะพวกเราปิดไว้ก่อนเลยไปหาใบไม้มากับทำให้เป็นฟ่อนแล้วก็ยัดปิดรูมันไว้ปิดรูทุกรูหารูที่มันจะออกปิดหมดล้อมรอบดูแล้วปิดไว้หมดจากนั้นเหรอเดียววันพุ่งนี้เดียววันพุ่งนี้พวกเรามาแล้วยังค่อย เออมาขุดเอาออกมาย่างมาปิ่งมาย่างกินเอาวันวันนี้เอาไว้ก่อนงั้นเราจะมันค่ําแล้วจากนั้นเขาก็ไล่วัวกลับบ้านพอมากลับมาถึงบ้านทธอเนี่ยเขาโอ้มันเราไม่ได้ไปทางโน้น่ะทางทิศตะวันออกมันเจ็ดวันแล้วเนี่ยเอาเนี่ยวันนี้เราต้องไปทางทิศตะวันตกเขาก็เลยไล่วัวไปเลี้ยงทางทิศตะวันตกพอไปอยู่ทั้งทิศตะวันตกทั้งเจ็ดวันอีกถึไปทุกวันทุกวัน แต่ในพอครบเจ็ดวันแล้วเาก็มาทางทิศตะวันออกพอมาทิศตะวันออกเ้าก็คิดดึกได้โอ้เราเอาใบไม้อุดรูตัว ก, กวดตะกวดไว้ไหนอยอยู่ในจอมปลวกนะไปพวกเราทำไปขุดเอานำมาเป็นอาหารไป เ, เขาก็เอาจอบเสียงไปจะขุดเปิดเปิดใบไม้ออกพอเปิดใบไม้ออกตอนนั้นตะ ก, กวดตอนนั้นก็หมดอะไรตายอยากในชีวิตใช่ไมละ่ะ เพราะมันหิวอาหารพอแรงเลยมันก็เดิดออกมาแบบฆ่าก็ฆ่าจะฆ่าให้ตายก็ฆ่าค่าหิวแล้วเกินมันคงจะว่าอย่างนั้นอ่ะพวกเด็กทั้งหลายโอ้น่าสงสารมันวะมันออกมาแบบไม่กลัวนั้นเลยมันคงจะหิวมากจะไปฆ่ามันเรื่อยๆก็เลยปล่อยให้มันไปเด็กเหมือนก็เลยไม่ได้ฆ่ามันมันก็เลยไปตามอิสระของมัน นี่แหละอันนี้ก็คือถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายได้ฆ่ามันนะพวกท่านคงจะตายเนีอันนี้พวกท่านไม่ได้ฆ่ามัน น, นี่แหละกรรมกรรมของท่านทั้งหลายได้ปิดรูลูรูตะกวดเอาไว้ในอดีตในอดีตแต่ชาตินี่แหละพวกเธอทั้งหลายได้ใช้กรรมนี่แหละอันนี้คือกรรมพระพุทธองค์พูดถึงกรรมคือการกระทำํะกำกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่ากรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผล ตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนนะต่อมาอีกมาถามว่าทำไมกาตัวนั้นมันท้องคว้ากว่างต่อกว่างทำไมจึงไปเอาหัวไปสอดเข้าไปในหญ้าที่มันขึ้นลอยไปในอากาศเพราะพระองค์ว่ากรรมคือกาตัวนั้นตะกอน เ, อเป็นชาวนาพอเป็นชาวนาแล้วฝึกวัว ฝ, ฝึกวัวใส่เกวียน พอฝึกแตนะ่มันไม่ไปเตะเท่าไรก็มันก็ไม่ไปเพราะวัวบางตัวมันดือด้อเลยแต่ว่างวดวัวถึกวัว ด, ดื้อนะเตะเท่าไรก็ไม่ไปนอนเฉยทางเอกเจ้านาเจ้าไอหนุ่มเลยกัไ อ, ะะไอเจ้าของชาวนาเลยก่็เ อ, อ้ยให้มึงนอนอยู่นี้กูหมดวิชาใช้กับมึงแล้วเดี๋ยวกูจะเอาฟางมาเผามึงมาจากนั้นก็เอาฟางมากับ กองกองให้เป็นกองบักใหญ่เสร็จนั้นก็สาดน้ํามันใส่อีกต่างหากให้มันลุกเร็วๆให้พอเสร็จ้นก็จุดไฟเลยพอจุดไฟไอ้วัวตอนนั้นมันคงจะคิดว่าลูกพีของเราคงจะทําเล่นๆกันมั้งที่ไหนได้มันไม่เล่นทีเด็ดมันไฟเผาจริงๆวัวตอนนั้นกระโดดขยโญงโขงเขงออกมาที่ไหนได้โอ้โหหนังหลุดไปหนังหลุดหนังล้วนไปหมดเลยทีนี้วัวตอนนั้นก็เลยตายนี่แหละอันนแหละกาตอนนั้น เอคือชาวนาได้เผาวัวตัวนั้นอกรรมให้ผละกรรมต้ น, นั้นให้ผลน่ะพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นย่หวัดจุดตูปปาตยานการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านรู้ะฉะนั้นพระสงฆ์ก็เลยถามว่านายสเผาล่งพระเจ้าค่ะเมียนายสเผาที่ข้าพระองค์ได้พบได้เจอได้เห็นเมียนายสเผาเนี่ยเอแต่ก่อนเขาแต่งงาน กับผู้ชายและยอดที่รักของเขาเออพอต่อมาผู้ชายเขาตายแฟนเขาตายสามีเขาตายพอตายแล้วไอ้สามีเนี่ยก็คิดถึงแฟนคิดถึงเมียของตัวเองเออพอตายไปแล้วก็ยังคิดถึงเมียตัวเองอยูออ่พอก็ได้อยู่ด้วยกันแต่ท่าน่มันพอความเป็นห่วงหาอะไรท่ากลับมาจะมาเกิดมาเกิดที่บ้านมาอยู่กับเมียมาอยู่บ้านเมีย ปัญหาที่เกิดไปได้มาเกิดเป็นหมาเออมาเกิดเป็นหมาที่บ้านของเมียนี่เออเมียเนี่ยก็เอแฟนนี่ยก็อพอหมาตอนนั้นมาใหญ่ขึ้นมาหมาตอนนั้นมันรักแต่มันเห็นเจ้าของมันก็รักอย่างรักอย่างเก่าอยู่เพราะว่าเป็นเมียตัวเองนะเนีอยผลที่สุดหมาตอนนั้นก็พอเห็นเอเจ้านายไปที่ไหนก็ตามเออไปที่ไหนก็ตาม คนทั้งหลายก็โอ้ยอีนี่เห็นไหมพอผัวตายแล้วเอาหมาเป็นผัวแตแทนแทนผัวเนี่ยก็โกอดให้หมาอีกเลยพอเห็นหมาเนี่ยจะฆ่าหมาผัวในสดก็ไม่รู้จะทำยังไงพอหมาต่นนั้นก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาเออก็เออทางอีนางนนก็ยังโมโหให้หมาอยู่งั้นแต่แต่วันหนึ่ง อ, อดลนทนไม่ได้ฆ่าเจ้าหมาตอนนี้วันผลวในสูก็เลย วางแผน เ, เรียกหมามาอาพอเรียกหมาหมาแล้วก็เอาเชือกมัดคอมันเอาอาหารให้มันกินเชือกมัดคอมันหมาจนเกิดดีใจโอ้เจ้านายเจ้านายทําไมดีใจใจดีถึงขนาดนี้วันนี้วะนายปวดนิสัยก็เลยอินางนี่ยก็ได้จูงหมาไปไปถึงท่าน้ํำนะไปถึงท่าน้ําก็อย่างที่ว่าแนา้วกระป๋องตักขี้ทรายให้มันหนัก พอน้ำจุม่มเฉยเลยก็มัดใส่คอหมาเดินจุมจุมไปลงไปสักขนาดเพียงแค่เอวนะก็ทิ้งกระป๋องลงไปกับหมาตอนนั้นกหัวดิ่งลงไปก็ไปแช่น้ำหมาตอนนั้นก็เลยตายนี่แหละพระองค์บอกว่าในอดีตชาติมีนายสเผเนี่ยเคยเขาเคยเคยทำกรรมอย่างนี้เพราะนั้นกรรมที่เขาที่เขาทำไว้นะ่ะกรรมตามสนอง นี่แหละได้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังฟังเอาไว้นิทานหรือชาดกเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทำกรรมถ้าทำกรรมจึ่งไหนที่มันไม่ดีเอาไว้กรรมนั้นจะตามสนองจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละคือกรรมแต่บางคนก็เห็นไม่การใช้กรรมไม่เหมือนกันเพราะนั้นการทากรรมของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกัน การทําการคิดไม่เหมือนกันการกระทําไม่เหมือนกันการพูดไม่เหมือนกันเพราะนั้นกรรมจึงให้ผลไม่เหมือนกันเพราะนั้นให้พวกเราเลือกเลือกทาแต่กรรมดีคิดดีทดําดีพูดดีเมื่อกมดีให้ผลนั่นแหละพวกเราจะมีความสุขในเกิดในภพภูมิใดในอนาคตพวกเราจะมีแต่ความสุขความ สบายใจความสุขความเย็นใจในเมื่อเราเกิดในภพภูมนนินั้นๆเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้คิดเอาไว้ว่ากรรมชั่วนะอย่าทำเฉลยดีกว่าอย่างที่หลวงพ่อได้ย้ำแล้วย้ำอีกเพราะนั้นตายแล้วไม่สูญนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงพวกเราทำดีพวกเราไปสู่สวรรค์ไปสู่ความสุข ถ้าทำมากๆแล้วจิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไปถึงนิพพานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนั้นเราต้องศึกษาตัวนี่ยจะทํายังไงจึงจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นแหละแก่ๆเจ็บๆตายๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นถึงจะว่ามีความสุขขนาดไหนก็เถอะถ้าพระเจ้ามีความสุขจริงๆมีทรัพย์สมบัติมีอะไรมาพร้อมทุกอย่างแต่เมื่อใจจะขาด ไม่มีใครรู้ว่ามีความทุกข์ขึงถึกขนาดไหนเมื่อใจจะขาดนั้นนะ่ะมันทุกข์จริงจริงภาระหาเวปันจากขันธาขันทั้ง5้าเป็นภาระอันหนักเมื่อขันจะแตกตายสลายลงสู่ถึงมรณะภาพถึงวันมรณะของคู่คนนะนะ่ะช่วงนั้นนะมีความทุกข์ที่สุดแต่ละคนยิ่งเปนยิ่ ง, งห่วงหาอะไรมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ใจมาก เพระนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่าถึงจะเกิดในภพภูมิไหนก็ตามร่ํารวยมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อมรณะภัยเข้ามาถึงนล้เป็นทกเทสุดเพราะนั้นยามมาเกิดดีกว่าจะทํายังไงจึงไม่มาเกิดให้ศึกษาให้ปฏิบัติอย่างที่เราตถาคตแนะนําบอกกล่าวนี่แหละท่านก็นแนะนํำเรื่องสมาธิเรื่องอริยมรรคอริยสัจให้พิจารณาอริยสัจไรั้ อันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วก็เดินตามมักของพระพุทธเจ้ามักคามักคะปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามแนวแถวของพุทธะพวกเราจะพ้นทุกในวัฏสงสารอันนี้ต้องศึกษาในรายละเอียดนะอันนี้หลวงพ่อพูดแต่เพียงว่าก่อไกลข้อไขข้อปวดข้อควายนะเพียงจะผสมสระสระอนะถ้าเราจะเรียนชวนลึกเข้าไปมันก็ต้องมีนะ วิชาหมอก็เหมือนกันภาพรวมซะก่อนจากนั้นเราจะเรียนวิชาอะไรอย่างลึกเข้าไปวิชาต า, าแล้วก็วิชาหูวิชากระดูกมีมีต่างเยอะแยะอันเน้นหนักแต่ละวิชาแต่พวกเราเรียนก็เหมือนกันนั่นแหละ เ, เรียนด็อกเตอร์อย่าเรียนแขนงไหนอย่างนี้ก็เหมือนตอน้นอันนี้พวกเราเมื่อเรียนเข้ามาได้แตวฟังได้ยินได้ฟังเป็นภาพรวมนะแต่เมื่อเราอยากจะเรียนให้ลึกซึ้งลงไปต้องศึกษา สมมติฐาคือทำจิตใจอย่างไงจิตใจสงบอย่างไรวิปัชนาจะพิจารณาอะไรจิงจะถอดถอนกิเลสภายในจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนั้เราต้องศึกษาในรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคณาจาติโยมพระเนนลูกหลานแต่พวกเราก็ได้ศึกษามามากแล้วละ่ะแต่การศึกษาจุดนี้มันมไม่มีที่สิ้นสุดนะ เพราะว่าพระในครั้งปกปิดยาวเมื่อฟังเทศครั้งนึ่งก็เข้าใจในระดับหนึ่งพออีกฟังอีกก็ได้สําเร็จพระโสดาสกทาคานาคาพระหัน์ในที่สุดไม่ใช่ว่าท่านฟังครั้งเดียวแต่บางคนก็ฟังครั้งเดียวก็มีบุญบารมีของท่านมากมายในอดีตในชาติท่านสร้างสมบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วฟังครั้งเดียวเท่านั้นได้สําเร็จมักสําเร็จผลแต่บางท่านบางองค์ก็ฟังหลายครั้งต่อหลายหนพวกเราก็เหมือนกันนั่น ฟังธรรมเทศนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาหลายครั้งหลายหนดูจิตใจของเราสิฟังฟั ง, ฟงเท่าไหร่ก็บางทีก็เชื่อบังไม่เชื่อวังเอเ อ, เ, อเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอยู่งั้นน่ะเพเราะอะไรเพราะกิเลสภายในจิตใจของเราเนี่ยมันหนาแน่นพอสมควรนะลูกหลานนะตอนนี้ไปพระสงฆ์จอนโมทนาให้พรรับพร น, น, นาฏณีน้า